ไม่ทราบว่าจะเทศเรยงหรือว่าจะนั่งสมาธิกันสักครู่ห่อยเสียงตอนนี้มันยังค่อนข้างจะดังอยู่ทางว่าอาจจะทางไม่ค่อยได้ยินนั่งสักสิบห้านาทีเดี๋ยวคนเราคงจะหยุดให้เสียงมันเงียบกว่านี้ทั้งหมดแล้วเวลาพูดธรรมะจะได้ทางแบบสบาย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 ให้เกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่บังทีชา้าความคิดขมาแทรกมากก็บริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นถ้าใช้ดูลมหายใจก็ดูตอนดูอยู่บริเวณปลายจมูกหรือเหลือบริเวณนิบสีปากขึ้นมา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 ไปในทางของความหลงเพราะความจริงนั้นร่างกายย่อมมีความเสื่อมลงไปตามลำดับย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏขึ้นมาตามลำดับและย่อมมีความตายไปในที่สุดให้คิดแบบนี้คิดตามความจริงถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆความหลงก็จะไม่สามารถหลอกให้เรา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 เดี๋ยวพอเสียงฝนเสียงตลาสงบลาค่อยสนทนากันต่อ ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งของขบวนการกิจกรรมของพระพุทธศาสนาการฟังเทศฟังธรรมนี้เพื่อจะได้นําไปสู่ขั้นตอนขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติ พอได้เข้าสู่ขั้นที่2คือการปฏิบัติแล้วก็จะได้เข้าไปสู่ขั้นที่สคือการบรรลุคือรบรรลุธรรมขั้นต่างๆพอได้เข้าสู่ขั้นที่สมแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่4ต่อไปก็คือการเผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้ แล้วก็มีขั้นที่ห้าคือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวงการของพุทธศาสนิเกชนนี่คือกระ บ, บวนการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญได้ส่งปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองทั้งแรกพ่อองค์ก็ส่งไปศึกษากับครูบาอาจารย์ ต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆจนรับบรรลุผลที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้บรรลุกันแต่หลังจากงานแล้วก็ ông, ต้องศึกษาด้วยตั์เองเพราะไม่มีใครที่จะรู้ทมที่สูงกว่าขั้นของสมาธิ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 ตามที่พระ อ, องค์ส่งได้วินิจฉัยได้ศึกษาจนได้พบกับสัจธรรมความจริง4ี่ประการคือพระ อ, อริยรรสัจสีทรงเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องเห็นว่าการกระทาตามความอยากไม่ได้เป็นการที่จะทำให้ความทุกข์หมดไป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 เวลาที่มีภาพภิกษุไปปฏิบัติตนที่ไม่สมควรมีสัทธา ญ, ญาติโยมมากล่าวฟ้องพระองค์เขาต้องเรียกมาไต่สวนแล้วเมื่อวินิจฉัยแล้วก็ส่งแก้ไขด้วยการบัญญัติข้อห้ามต่างๆขึ้นมาในระยะแ ร, แรกๆนี้ไม่มีพระปฏิโมกข์คือไม่มีศีล 227รีสข้ออย่างที่มีอยู่ในสมัยนี้เพราะว่าในระยะแรกๆไม่มีผู้ที่ปฏิบัติตนที่ทำให้เกิดการเสียหายแต่ต่อมาพอมีผู้มีสศรัทธามาบวชกันมากขึ้นแล้วก็จิตใจไม่มีคุณธรรมคือศีลและสมาธิ ที่สมบูรณ์ก็เลยทำให้มีการกระทาที่เสียหายจึงต้องมีการกำหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นมาจาก1ข้อเป็น2ข้อเป็น3ข้อจนถึง227ข้อนี่คือการแก้ไขปัญหาของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา นี่คือกระบวนการ5้กบวนการด้วยกันที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่คู่กับโลกไปได้นานแสนนานถ้าไม่มีกระบวนการทั้ง5้กระบวนการนี้ไม่ครบการที่จะทำนุปบำรุงพระพุทธศาสนาการที่จะ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 นี้ที่ไปเผยแผร่นี้จะเป็นความรู้ที่เรียกว่าเปื่อนด้วยความหลงเพราะจิตของผู้ที่ฟังทำนี้ยังไม่ได้ชำละความหลงยังมีความหลงครอบงามจิตใจอยู่พอความรู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาสัมผัสกับใจของผู้ที่มีความหลงก็จะถูกความหลงนี้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 พ่อเทล้วก็ต้องวินิจฉัยแล้วก็ต้องกำหนดพ่อห้ามขึ้นมาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถมีบารมีที่จะทำอย่างนี้ได้เหมือนกับพ่อพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีคุณธรรมที่จะทำให้ผู้ที่ฟังมีความเขารพมีความเชื่อฝัน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 ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่ในพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีการทำนุบำรุงด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมด้วยการเผยแผ่ธรรมด้วยการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนี่แหละคือ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 เป็นพักๆเป็นช่วงๆอย่างในยุค ข, ของพวกเรานี้ก็มีบุคคลที่มีความแน่วแน่ต่อการดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็คือหลวงปู่มั่นที่ทรงบำเพ็ญด้วยด้วยตนเองโดยที่ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะบำเพ็ญหรือไม่โดยท่านเอง ท่านก็บำเพ็ญศึกษาปริยาตก่อนศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนเสร็จ แ, แล้วท่านก็ไปติดปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็ไปบรรลุผลที่เชียงใหม่ในอายุระหว่าง6 0ถึง70ปีด้วยกันนลจากนั้นท่านก็ ม, มาอบรมสั่งสอนให้แก่พระภิกษุสามนเณร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 มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราควรจะฟังทำเพื่อให้เกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาคือเกิดฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาที่จะน้อมเอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังในี้ไปปฏิบัติการอย่างเข้มข้นขั้นต้นเรา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 มากพอสมควรวันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของปีที่เก้าปีหนึ่งก็มีสิบสองรอบถ้าคูณเข้าไปก็ร้อยแปดครั้งร้อยแปดรอบการฟังทำร้อยแปดรอบนี้มันน่าจะทำให้เกิดมีอิทธิบาทสี่ขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าไม่เกิดก็อาจจะมีปัญหาอยู่สองที่ด้วยกัน ที่ละที่หนึ่งที่คนแสดงว่าแสดงไม่ได้เรื่องหรือที่ที่2ก็คือคนฟังฟังแบบทัพพีในหม้อแกงคือฟังแล้วไม่เข้าไปในใจฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดฉันทะเวรียขึ้นมาการฟังแบบทัพทีในหม้อแกงฟังอย่างไรก็ฟังแบบใจลอยไปลอยมา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 แต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี่จะรู้ทันทีทุกทำบมบ ท, ที่ปรากฏขึ้นมาที่มาสัมถัสกับหูจะมีสติรับเข้าไปสู่ใจทันทีจะมีการคข้ควรมีการพิจารณาตามแล้วก็จะมีการเห็นอย่างชัดเจนว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไป อันนี้ก็ต้องขอให้พิจารณาแก้ไขกันว่าเราฟังมาก็นานพอสมควรแล้วเราได้ก้าวสู่เข้าสู่ขั้นปฏิบัติหรื อ, อยังเข้าไปได้มากน้อยเท่าไหร่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าคนแสดงเป็นอุปสรรคก็ควรจะไปหาคนอื่นไปฟังที่อื่นบ้าง ถ้าคนฟังเป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไขที่คนฟังฟังแบบใจลอยไปลอยมาก็ต้องคอยควบคุมใจอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังธรรมแล้วก็พิจารณาว่ามีอะไรอีกที่ทำให้ไม่สามารถออกปฏิบัติได้พอที่จะแก้ไขได้ก็ควรที่จะแก้ไขเช่นต้องทำงานทำการอย่างนี้ ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็ต้องถามว่าเราทํางานไปเพื่ออะไรทํางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือว่าทําเพื่อเลี้ยงกิเลสตัณหาโดยเฉพาะกามะตัณหาหรือกามะฉันทะคือยังรักที่ยังมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังชอบรับประทารยังชอบดื่มอะไรอยู่มากมาก ชอบดูชอบฟังมอหระสบเครื่องบรรเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะปฏิบัติได้เราก็ต้องทำลาย USS. อุปสรรคนั้นโดยพิจารณาว่าเราก็ดูฟังมานานแล้วเราก็ได้ดื่มได้รับประทานอะไรมานานแล้วมากแล้ว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 ต่อไปก็จะสามารถรักษาศีนแปดได้ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะลาออกจากงานได้เพราะถ้าเราไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากที่ต้องใช้เงินมากก็เพราะต้องซื้อของต่างๆมาบำรุงบำาเลาตาหูจมูกเิ้นกายนี้เอง พอเรารักษาศีลแปดได้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้กามัชันทะก็จะเบาบางลงไปความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะน้อยลงไปเงินทองที่ต้องใช้ก็น้อยลงไปก็จะทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องทํางานทําการก็ได้ถ้าเรา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 พิจารณากันถ้าเราอยากจะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติก้าวเข้าสู่การบรรลุธรรมถ้าเราไม่แก้ไขเราติดอยู่ที่ท่านนี้เราก็จะติดอยู่ยนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่เรากำลังติดอยู่ในตอนนี้คิดดูก็แล้วกันก็9ก้าปีด้วยกันหลังแล้วก็100 1งรครั้งพอดี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 เท่านั้นขั้สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นถมเท่านั้นแต่จะไม่มีสวรรค์ชั้นมร์ชั้นขั้นมร์ผลนิพพานมร์สีผลสีนิพพานอย่างนี้ไม่มีในศาสนาใดทั้งนั้นนอกจากพระพุทธศาสนาเนี่ยชา น, นี้เราถือว่าเราโชคดีได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีเราจึงควรที่จะเตรียมตัวรับมรดก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 ชนิดต่างๆเราจะได้ยุติการหาความสุขเหล่านี้ด้วยการรักษาสีนแปดแล้วก็ใช้เวลาที่ว่างจากการหาความสุขท้งตาหูจมูกลื่นกายให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิและกับการเจริญปัญญาแล้วผลของ ทำขั้นต่างๆก็จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนอต่อไปนี้จะขอตอบปัญหาที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตครับมีเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับมีท่านหนึ่งถามว่าเรื่องของศีลพิสุปราชิกข้อห้ามรักของเขา มีค่ามากกว่าห้ามาศอยากเรียนถามผูาจารย์ว่าใช้อะไรเป็นตัววัดรู้สึกจะเป็นหนึ่งมาศนะไม่ใช่ห้ามาศแล้วมาศนี้ก็ก็เปรียบเทียบว่าเป็นทองคำขนาดเมล็ดข้าวแล้วก็ลองดูทองคำขนาดเมล็ดข้าวตอนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าพันหนึ่งถ้ารักเกินพันหนึ่งก็กถือว่าเป็นเป็นตลาดชีพได้ แต่การจะเป็นปาราชิกหรือไม่นี่ก็จะต้องมีคณะกรรมการสงขึ้นมาพิจารณาอกทีนก็เหมือนศาลเนี่ยถ้าพระถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์ก็ต้องไปแจ้งให้แก่พระเถระผู้ที่ปกครองพระสงค์รูปนั้นแล้วพระเถระท่านก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยตัดสินต่อไป เขาบอกไว้ว่ า, ายิ่งวัดเนี่ยครับไม่ได้สอนพระใหม่อาจผิดได้ง่ายๆแล้วเพื่อนเขาเนี่ยจะมันจะบวชใหม่พราะยังไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะทําให้สังฆกรรมไม่สมบูรณ์ครับไม่พระทุกรูปที่บวชปั๊บนี่เขาจะสอนทันทีเลยก็มีอนุาสานคือทาสอนที่เวลาเสร็จจากการ อ, อ, อุปสมบทนี่ท่านจะต้องสอนทันทีมีกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อแล้วกิจที่พึงกระทำสี่ข้อ กิจที่ไม่พึงกระทํา4ข้อก็คือ 1. เศษเมตุนคือรวบเศษกรรม 2. องักทรัพย์่ามนุษย์ 3. รักทรัพย์ 4. อวดอุดตรเลุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนนี่เขาจะสอนทันทีเลยเพอออกมาจากโบนี่ต้องสอนในวันนั้นเลยประราชิก4ส่วนกิจที่พึงกระทาก็มีอยู่4คือ 1. บินทบาตเลี้ยงชีพ 2. ใช้ผ้าบังสกุล 3. อ ย, อยู่อยู่ตามโคนไม้ 4. ใช้ยาดองน้ำมูดเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บคือสอนให้พระมากน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดนั้นไม่ต้องกังวลละมี ม, มีแล้วก็มีพระพี่เลี้ยงก่อนที่จะต้องคอยอบรมเวลาบวชนี่แต่อย่างว่านั้นหือเราพูดในในวัดที่มีมีกิจกรรมหนานี้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 ทำได้ด้วยทำไม่ได้การบวชทุกวันนี้มันก็ต้องแยกเป็นสองบวชจริงกับบวชปลอมบวชจริงก็ต้องศึกษาต้องรู้ก่อนว่าการบวชนี้บวชแล้วต้องทําอะไรบ้างส่วนบวชปลอมก็คือพอนึกอยากจะบวชก็บวชได้งานศพนึกอยากจะบวชอุทิศบุญนหก็บวช บวเชเว่าสดเย็นกันหรือบวชเจ็ดวันบวชแก้ซวยก็มีบวชแก้โรคภัยไข้เจ็บก็มีบวชกันเป็นว่าเล่นอางคนบวชต้องสี่ห้าหนอนเวลาไม่สบายใจก็บวชเวลาเวลากิจกรรมไม่ดีกิจกา ร, รมไม่ดีก็บวชเวลาแฟนทิ้งไปก็บวช มียัดติไว้ไครว่าห้ามบวชเกินปีครั้งไม่มีหรอกอ่าได้ถ้าถ้าไม่ปราชิกก็ยังบวชได้นะแต่เรามีคากล่าวในสมัยโบราณว่าชายสามบวชเนี่เคยแสดงว่าเป็นคนไม่เอาจริงเอาจังบวชแล้วพอเจอเจอของยากลําบากก็เสึก พเสร็จกลับมาเจอชีวิตของคารวาที่ยากลำบากก็บวชหนีไปหนีมาบวชแล้วก็ให้สมัยก่อนเขาบวชไม่เสดจกันทานบวชเขาไม่มีการเสด็กันเพราะว่ามีการบวชแล้วมีการบรรลุธรรมกันก็เลยไม่มีใครอยากจะเสด็จกันเพราะถ้าบรรลุธรรมแล้วมันไม่มีอะไรจะวิเศษต่อการ อยู่แบบสมมนาเพศเพราะคนบนรรลุแล้วไม่มีความหิวความอยากในลาบยศสรรเสริญเพราะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือนัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ถ้าใครได้ความสุขนี้แล้วจะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการสามีไม่ต้องการภรรยาไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญสมัยพระพุทธการ เขาบวชกันจริงๆเขาบวชกันเพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมกันจริงๆแต่สมัยนี้มันธรรมเนียมนี้มันหายไปแล้วนานๆจะมีลื้อฟื้นขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในยุคนี้ก็รื้อฟื้นโดยหลวงปู่มั่านนี่ท่านเหล่านี้ท่านบวชแล้วท่านบรรลุ ธ, ธรรมกันไม่มีใครเสพกกันเมันขอให้เรา ให้ดูแบบฉบับที่ดีแบบฉบับที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจที่เราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องศึกษาแบบฉบับที่ดีศึกษาพุทธประวัติศึกษาประวัติของภาษาวกทั้งหลายเราถึงจะได้รู้ว่าเพชรแท้เป็นยังไงเพชรปลอมเป็นยังไงอ่าแล้วนะคือว่าพอสมควรแก่เวลาก็ อ่ามีคำถามมีคาถามหนึ่งเอาไม้ไปหน่อยไหมไม่ได้ยินชาตินะฮะก็สมาธิทุกทุกวิธีการบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาสัจตะวารุเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งไม่มีความคิดปรุงแต่ง การเพ่งกสินหรือการบริกรรมพุทโธนี้เป็นเหตุที่จะนำให้ไปสู่ผลนั้นเหตุมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบจะใช้แบบไหนก็ได้ผลก็จะได้เหมือนกันไม่ได้ยินเกสินนี้คือแสคือสีต่างๆนี่คือเราต้องกำหนดสีขึ้นมาสีใดเช่นสีแดง แล้วก็นึกหลับตาตอนต้นเราก็มองสีแดงก่อนแล้วจำสีแดงนั้นไว้ให้ดีแล้วเราก็หลับตาแล้วก็พยายามนึกถึงสีแดงนั้นให้ปรากฏขึ้นมาในใจหลับตาก็เห็นนี้หลับตาก็เห็นสีแดงแล้วก็เกาะติดอยู่กับสีแดงไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ไม่ค่อยมีใครสอนไม่มีใครปฏิบัติกัน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 สังขารก็คือให้ดูอสุภะอย่างนี้ก็ให้กําหนดอสุภะในลักษณะต่างๆขึ้นมาจะดูศพตายไปวันหนึ่งก็ได้ตายไป3มวันก็ได้ตายไป7วันก็ได้ศพที่ถูกแรงกากับลากกินไปก็ได้หรือดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ได้ให้เท่งดูอย่างนี้เพื่อกําหนัดกามรมลาคะคืความอยากจะเสกกามเพราะ ถ้าเห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วการมารมมันก็จะดับไปเวลาเกิดการมารมก็ต้องใช้การเพ่งอสุภะดูอสุภะพิจารณาอสุภะแล้วก็จะดับการมารมได้ด ค, ดนะคือการเห็นทุกข์ของสังขารเรื่อยๆนะคือการเห็นทุกข์นี้มันก็เป็น เห็นทุกข์ที่เกิดจากการอารมณ์ไงเวลาเราเกิดการอารมณ์นี่เราอยู่ไม่เป็นปกติอยู่ไม่เป็นสุขต้องห า, าหาร่างกายของผู้อื่นมาเสพพอเราดับการอารมณ์นั้นได้ความทุกข์มันก็จะหายไปเราก็จะเห็นว่าทุกข์ของเรานี้เกิดจากการอารมณ์ความอยากในกามนี้แล้วการอารมณ์จะดับได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นอสุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย